บทที่สี่สิบเจ็ดสัทธาสีฉันพัฒหารเพลแล้วทั้งลูกศิษย์และอาจารย์มีเวลาพักผ่อนประมาณชั่วโมงเศษจึงไม่มีรูปใดที่จะไม่งีบเอาแรงเพราะอยู่ภายใต้กฎธรรมชาติว่าพอหนังท้องตึงหนังตาก็หย่อนพระวัดป่ามะม่วงที่ไม่จำวัดในตอนกลางวันเห็นจะมีแต่ท่านสมพานรูปเดียวเท่านั้น อย่าว่าแต่จะไม่จำวัดตอนกลางวันเลยถึงกลางคืนท่านก็ไม่ค่อยจะมีเวลาได้พักผ่อนหลับนอนบัรดาพระลูกวัดต่างก็พากันฉะงนสนเท่ที่สมผานเจ้าวัดไม่ค่อยได้ฉันพัฒหารแล้วก็ไม่ค่อยได้จำวัดจะว่าไปแล้วเรื่องกินกับนอนนั้นสำคัญมากสำหรับปุถุชนคนเดินดินทั้งหลายในหมู่สงเรื่องนี้อาจจะลดความสำคัญลงไปด้วย มีพระวินัยมาเป็นเครื่องตรวจสอบทว่ายังคงมีความสำคัญเนื่องด้วยภิกษุส่วนใหญ่ก็ยังคงเป็นพระอุถุชนที่จะเป็นพระอริยบุคคลเช่นท่านสมพานนั้นหายากเต็มทีด้วยเหตุนี้สงฆ์ก็ดีเครือขัดก็ดีเมื่อได้มาเห็นจริวัดของท่านพระครูแล้วต่างพากันคิดว่าท่านเป็นพระอริยบุคคลซึ่งในความเป็นจริง ไม่มีผู้ใดรู้ชัดแน่ว่าท่านเป็นหรือไม่โดยมิใช่วิสัยที่จะรู้ได้เพียงแต่คาดเดากันไปเท่านั้นเสียงระฆังบอกเวลาเข้าเรียนภาคบ่ายดังขึ้นพระมหาบุญยังไม่อยากตื่นหากก็ต้องฝืนใจ เอาไว้ศึกแล้วค่อยนอนให้สบายไปเลยท่านปลอบใจตัวเองแล้วลุกขึ้นล้างหน้าครองผ้าเรียบร้อยก่อนที่จะเดินไปยังโบสถ์ซึ่งธรรมดาพระลูกศิษย์นั่งรอยอยู่พระลูกศิษย์ก็พากันกราบพระอาจารย์จากนั้นการเรียนภาคบ่ายก็เริ่มขึ้นภาษาบาลีนั้นถ้าเราเรียนอย่างตั้งอกตั้งใจจนถึงขั้นรู้อย่างลึกซึ้งแล้วจะพบว่าน่าสนใจมาก เป็นภาษาที่มีหลักเกณฑ์ค่อนข้างแน่นอนตายตัวกว่าภาษาอื่นๆยกตัวอย่างเช่นภาษาบาลีในหลักตัวสะกดตัวตามเพราะฉะนั้นคําว่าวัถะซึ่งแปลว่าจเจริญ น, นั้นถ้าเขียนเป็นวัฏทะก็ผิดหลักตัวสะกดตัวตามไหนพระกระจรออกมาเขียนบนกระดามดำซิว่าพยัญชนะที่อยู่วักเดียวกันกับทนานมณโท ทอพุทธเท่ามีอะไรบ้างพระขจรจึงออกไปเขียนบนกระดานดำดังนี้ต่อปะตักทอฐานทอนมุมโททอพุทธเท่านอ น, นีนอาจารย์บอกให้ลูกศิษย์ทุกรูปอ่านพร้อมกันว่าตะทะทะท ะ, ะนะซึ่งถ้าเป็นภาษาไทยจะออกเสียงเป็นตอทอทอทอนอ พูดถึงคําว่าวัฏฐะผมมีเรื่องขำๆจะเล่าให้ท่านฟังเป็นเรื่องจริงที่ผมประสบมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองถ้าใครไม่อยากฟังขอให้ยกมือขึ้นมีผู้ยกมืออยู่รูปเดียวคือพระบัวขาบพระมหาบุญจึงพูดอีกว่าเอาละ่ะรูปใดอยากฟังให้ยกมือขึ้นปรากฏว่ายกมือทุกรูปรวมทั้งพระบัวขาบ พระอาจารย์ค้านที่จะตอบปากตอบคำกับภิกษุหัวดื้อจึงเริ่มต้นเล่าเรื่องของท่านเมื่อเดือนที่แล้วท่านสมพานกับผมได้รับนิมนต์ไปงานทําบุญวันเกิดของขะหบดีผู้หนึ่งในตลาดสิงห์บุรีเขานิมนต์แต่แค่สองรูปเองเหรอครับแบบนี้ก็ไม่ครบองค์สงถ้าจะให้ครบต้องนิมนต์ตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปพระบัวขาบแสดงภูมิรู้ อีกเจ็ดรูปเป็นพระวัดใกล้บ้านเขาพระมหาบุญตอบห้วนๆแล้วแล้วยังไงอีกครับท่านอาอาอาจารย์พระชนวนใครรู้เขาก็ถวายเพลงแล้วก็ถวายเครื่องทายธรรมหลังจากที่พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์จากนั้นพระสงฆ์ทั้งเก้ารูปก็ให้ผ่อนบทมงคลจักรวาล น, น้อย มีรูปใดยังท่องบทนี้ไม่ได้ให้ยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือเพราะต่างก็ท่องได้แล้วพระบัวขาบรูปเดียวที่ยังท่องไม่ได้เพราะมัวแต่คอยจับผิดผู้อื่นอยู่กระนั้นท่านก็ไม่ยอมยกมือด้วยไม่อยากเสียหน้าพระอาจารย์จึงเล่าต่อว่าที่นี้พอสวดมนต์มาถึงอายุวัฏโกคณะวัฏโกสิริวัฏโกยะสะวัฏโก ก็เกิดเรื่องพวกท่านลองทายซิว่าเกิดเรื่องอะไรคนเมาเหล้าตีกันครับพระบุญชูตอบไม่ใช่แม่ครัวตบกันครับพระบัวเรียวตอบไม่ใช่ท่านอาจารย์ท้องเสียกระทันหันพระบัวขาบตอบโดยไม่ลงด้วยครับโปรดยาแซงผมคราวนี้อาจารย์ทำหน้าทะมึงถึง ลูกศิษย์ก็เลยพากันเงียบไม่มีผู้ใดกล้าพูดตอบด้วยความอยากรู้เรื่องพระชนวนทนนิ่งอยู่ไม่ได้จึงรวบรวมความกล้าแล้วถามเกิดเกิดเกิดอะไรครับท่านอาจารย์พระมหาบุญนึกสงสารลูกศิษย์รูปนี้จึงตอบว่าเอาละถึงผมจะให้ท่านถ่ายกันทุกรูปรับรองว่าไม่มีใครถ่ายถูกผมก็จะถือโอกาสเฉลเยเเลย แต่ก่อนจะเฉลยขอให้พระชนวนออกไปเขียนบนกระดานตั้งแต่อายุวัฏทโกจนถึงโหตุสัพพทาเขียนแบบบาลีนะพระชนวนก็ลุกออกไปเขียนด้วยมือสั่นน้อยกว่าเมื่อก่อนดังนี้อายุวัฏทะโกธนวัฏทโกเสริวัฏทโกยะสะวัฏทโกภละวัฏทโกวันณวัฏทโก สุขวัตโกโฮตุสัพพั ธ, ธาเอาล่ะเขียนได้ถูกต้องทีนี้เรื่องที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าของวันเกิดซึ่งเป็นคนจีนอายุราวเจ็ดสิบพอพระสวดถึงยะสะวัตโกก็บอกไม้โบกมือบอกยุกยุกยุกยุกเลี้ยวนี่พระก็ตกใจและหยุดสวดท่านสม่านซึ่งนั่งหัวแถวก็ถามว่าให้หยุดทาไมล่ะโยมเท่าแก พระกำลังให้พรไม่อยากได้พรหรือหลานสาวแกซึ่งนั่งอยู่ข้างๆก็ถามว่าท่านพระกำลังให้พรหรืออยู่หน้าอาับแแะแกกเถียงว่าให้พองอับแปะที่ไหนล่ะอีให้พองแกอโกต่างหากแล้จึงต่อว่าด้วยเสียงที่กำลังโกรธแกว่าอ้วกเป็นคงเลี้ยงข่าวพวกลือให้เงงพวกลือ แต่รื้อมาไห้พองอโกหรือว่าอายุวคถกโกธนะวัถกโกรือต้องไห้พองใหม่ท่านสมพานก็พยายามอธิบายว่าให้พรโยมเท่าแก่นั่นแหละแต่เป็นพรภาษาบาลีแกก็บอกไม่หลายไม่ลายรือต้องเปียงไม้ท่านสมพานก็ถามว่าเปลี่ยนเป็นอะไรล่ะแกก็ว่าเปลี่ยงเป้ง อายุวัฏถะแปะธนวัฏถะแปะไม่ว่าท่านสมภารจะอธิบายอย่างไรแกก็ไม่ยอมฟังในที่สุดท่านก็เลยบอกเอาละ่ะตามใจโยมหน่อยเข้าเมืองตาเหลีวก็ต้องเหลียวตาตามแล้วท่านก็นำสวดอายุวัฏถะแปะธนวัฏถะแปะไปจนจบบรรดาพระใหม่ก็พากันหัวเราะคิกคิ พระบัวขาบนั้นถึงกับสวดอายุวัฒแปะธนะวัฒแปะโดยเสียงที่ค่อนข้างดังจนถูกพระอาจารย์ดุเอาว่าที่เล่าเนี่ยไม่ใช่จะให้สวดผิดๆนะต้องการจะแสดงให้เห็นว่าโยมเท่าแก่ชอบให้สวดบาลีเถื่อนไม่ใช่บาลีที่ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์แล้วท่านสมพานทำไมถึงยอมใช้บาลีเถื่อละครับพระบวัวหลวงถามบ้าง ผมถามท่านตอนนั่งรถกลับวัดท่านบอกว่าใช่ได้เห็นหนอตรวจสอบแล้วเขินไม่ยอมตามแกแกไม่ยอมให้กลับวัดเด็ดขาดแล้วท่านก็พูดกับผมว่าท่านมหาจำวัดเลยนะคนบ้าอย่าถือคนดื้อย่าสอนคนจร อ, อย่าคบคนประจบอย่ารักคนทักอย่านิ่งคนจรอย่านายคนอายอย่าล้อ คนมาง้ออย่าโทษอย่ากโกรธเคืองนิยมยายผมสอนไว้มีความหมายมากนะคนบ้าอย่าไปถือคนด้ออย่าไปสอนพระอาจารย์มองไปยังลูกศิษย์ที่ชื่อพระบัวขาบหากลูกศิษย์กลับยิ้มรับทำไม่รู้ไม่ชี้จนพระอาจารย์นึกกระอาท่านอาจารย์ครับผมอยากฟังเรื่องพระจุลปันธกะ ที่ท่านอาจารย์เล่าค้างไว้เมื่อตอนเช้าพระชนวนทวงถามขึ้นตกลงผมจะตั้งใจเล่าอยู่เหมือนกันเอาละ่ะก่อนอื่นต้องเขียนคาถาเป็นหัวใจของเรื่องท่านเขียนลงบนกระดานดำดังนี้คเตสิคเตสิกิงกรนาคเตสิอาหางปิดตังชานามิชานามิจะเรียกว่าคาถากันขโมยก็ได้นะเอาละ ทีนี้ผมจะเล่าถึงที่มาของคาถาบทนี้ซึ่งเกี่ยวข้องกับพระโจรปันทกะซึ่งหลังจากที่ท่านถูกพระมหาปันทกะผู้เป็นพี่ชายไล่ให้ศึกท่านก็ไม่ยอมศึกเพราะท่านศรัท ธ, ธาและซาบซึง้งในพระธรรมคําสอนของพระพุทธองค์มากจนไม่ต้องการจะกลับไปเป็นครืหขัดอีกวันหนึ่งหมอชีวกโกมารพัฒได้นิมนต์พระพุทธเจ้าและพระสาวกไปฉันพัฒหาร จึงขอให้พระมหาปันธกะช่วยนิมนต์พระภิกษุทุกรูปพระมหาปันธกะเว้นพระจุลปันทกะไว้รูปเดียวด้วยเห็นว่าบวชเสียผ้าเหลืองไม่มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้พระจุลปันทกะรู้สึกเสียใจอย่างใหญ่หลวงและตกลงใจที่จะศึกขณะที่เดินออกจากวัดก็พบพระพุทธเจ้าระหว่างทางพระพุทธองค์ทรงนพระจุลปันทกะไปยังพระคันธกุฎีของพระองค์ และปรอบโยนให้สบายใจจากนั้นทรงประทานผ้าขาวสะอาดผืนหนึ่งแก่ท่านตรัสว่าเธอจงนั่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออกท่องคาถาว่าชโรหะระนางพร้อมกับใช้มือลูบผ้าผืนนี้ไปมาพระจุลปันธกะปฏิบัติตามและสังเกตว่าเริ่มสกปรกท่านสำรวมจิตเพ่งดูผ้าผืนนั้นและได้สัมผัสกับความไม่เที่ยงของสรรพสิงในที่สุด ท่านก็ได้บรรลุอรหัตผลพร้อมทั้งปฏิสัมพิทาสี่พระพุทธองค์ตรัสว่าเธอไม่ได้ปัญญาทึบเฉพาะในชาตินี้หรอกนะในอดิตชาติเธอก็ปัญญาทึบเหมือนกันในอัตถกถาเล่าไว้ว่าในอดิตชาติพระชูลปันธกะเกิดในตระกูลพราหมณ์ เมื่อถึงวัยศึกษาเล่าเรียนบิดาได้ส่งท่านไปเรียนยังมหาวิทยาลัยตักศิลาซึ่งมีชื่อเสียงที่สุดในสมัยนั้นท่านเป็นคนปัญญาทึบจึงเรียนไม่จบสักทีเพื่อนรุ่นเดียวกันเรียนจบไปแล้วเพื่อนรุ่นน้องก็จบไปหลายรุ่นแต่ท่านก็ยังไม่จบเรียกว่าเรียนจนเป็นปูตักศิลาอาจารย์ก็รําคาญเลยให้ท่องคาถาตามที่ผมเขียนบนกระดานดํา ให้ท้องดังๆทุกครั้งที่นึกได้และบอกว่าเอาละเธอเรียนจบแล้วท่านก็กลับบ้านทางบ้านก็ดีใจที่ท่านเรียนจบเลยฉลองกันใหญ่ก็คงสั่งสุรามาดื่มกันเลยเมาหลับกันทั้งบ้านพอตีสองขโมยก็เข้าบ้านไม่มีใครรู้ว่าขาโมยเข้ามาท่านเองก็ไม่รู้ แต่บังเอิญตื่นขึ้นมาท่องคเตสิคเตสิกิ่งกรณนาคเตสิอาหางปิดตังชานามิชานามิซึ่งแปลว่าพยายามไปสิพยายามไปสิท่านจะพยายามไปทำไมกันข้าพเจ้ารู้นะข้าพเจ้ารู้นะขโมยได้ยินก็หนีไปเลยขณะนั้นพระราชาเสด็จมาสอดส่องดูแลความทุกข์สุขของราษฎร มาตอนตีสองเหรอครับพระขจรถามขึ้นถูกแล้วเพราะถ้าเสด็จมาตอนกลางวันก็จะไม่พบขโมยนี่ผมสันนิษฐานเอาเองนะขโมยต้องออกหากินในตอนกลางคืนแล้วพระราชาทรงได้ยินที่บัณฑิตหนุ่มท่องคถาหรือเปล่าครับนักเรียนรูปหนึ่งถามได้ยินสิพระองค์ทรงจาบ้านหลังนั้นไว้ พอรุ่งเช้าก็รับสั่งให้ทหารนำตัวบัณฑิตหนุ่มไปเข้าเฝ้าแล้วเรียกว่าอาจารย์อันที่จริงบัณฑิตคนนี้ก็คงหน้าตาเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์เพราะเรียนจบจนแก่เป็นปู่ของมหาวิทยาลัยตกศิลาพระราชาตรัสถามว่าท่านอาจารย์จบจากมหาวิทยาลัยตะกศิลาใช่ไหมรู้ไหมว่าขโมยขึ้นบ้านบัณฑิตก็ตอบว่าไม่ทราบพระเจ้าค่ะ พระราชายิ่งมั่นพระทยัยว่าคาถาคลังจึงรับสั่งให้บัณฑิตหนุ่มใหญ่สอนคาถาให้บัณฑิตก็สอนและสั่งเหมือนที่อาจารย์สั่งตนมาว่าให้ท่องดังๆทุกครั้งที่นึกขึ้นได้ในเวลาต่อมาเสนาบดีก็คิดว่าจะปรงพระชนพระราชาเพื่อจะตั้งตนเป็นพระราชาเสียเองจึงคบคิดกับกระระบบบอกกระระบบว่าถ้าพระราชาเสด็จมา ให้ปรงพระมัตสุและพระเกษาก็ให้เชือดพระสอเลยนะจงรับมีดไหคมชนิดที่เชือดทีเดียวให้สิ้นพระชนทันทีแล้วจะตั้งให้เป็นกระบกเป็นไสยนาบดีแทนตนกระบอกก็รับคาครั้นถึงวันที่พระราชาเสด็จมาให้ปรงพระมัตสุและพระเกษาพระมัตสุปแปลว่าอะไรครับนักเรียนรูปที่นั่งหลังสุดถาม ใครไม่ทราบว่าพระมัสุแปลว่าอะไรนหยยกมือซิใครที่ทราบแล้วไม่ต้องยกเมื่อไม่มีรูปใดยกมือพระมหาบุญจึงพูดว่าถ้าเช่นนั้นพระบัวขาบช่วยตอบสิว่าแปลว่าอะไรแปลว่าขนหน้าแข้งครับหากเป็นพิสุรูปอื่นตอบก็คงมีเสียงหัวเราะคิกคักจากเพื่อนร่วมชั้นแต่เพราะเป็นพระบัวขาบ ทุกรูปจึงเงียบด้วยยึดมงคนลสูตรข้อที่ว่าอาเสวนาจะพลานังถูกลหรือเปล่าไหนใครว่าถูกยกมือขึ้นไม่มีรูปใดยกมือพระชนวนช่วยตอบหน่อยสิแปลว่าหนวดครับถูกต้องเอาละทีนี้ผมจะเล่าต่อเมื่อพระราชาเสด็จมาการบก็ทูลให้บันทมรออยู่ที่พระเก้า อ, อี้ ตัวเขาก็เร่งลับมีดเป็นการใหญ่กะว่าจะใช่คมกริบชนิดที่เชือดครั้งเดียวสิ้นพระชนเลยพระราชาบันทมหลับไปครู่หนึ่งคลั้นตื่นบันทมก็ทรงนึกถึงคาถาที่อาจารย์ให้ไว้จึงทรงท่องด้วยพระสุรเสียงที่ค่อนข้างดังว่าคเตสิคเต ส, เตสิกิ่งกระนาคเตสิอาหางปิตังชานามิชานามิกาลระบกได้ยินก็มือไม้สัน่น คิดว่าพระราชาทรงทราบแผนการที่เสนาบดีเตรียมไว้จึงเข้ามากราบที่พระบาทของพระราชาทูลขอพระราชทานอภัยโทษพระราชาผู้ชานฉลาดพอจะทรงทราบเรื่องราวจึงรับสั่งด้วยพระสุรเสียงเฉียบขาดว่าจงเล่าความจริงมาให้หมดหากโกหกเราจะตัดศีรษะเจ้าการบกจึงกราบทูลความจริงให้ทรงทราบทุกประการ พระราชาจึงรับสั่งห้ามไม่ให้บอกเสนาบดีแล้วให้กระบกทำหน้าที่ของตนตามปกติกระบกก็จัดการปลมพระมัสุ ด, ด้วยมืออันสันเทาอาชีพกระบกที่เคยทำอย่างชำนิชำนาญบัดนี้กลับมีความรู้สึกว่าเป็นงานที่ยากที่สุดจึงใช้เวลานานกว่าจะแล้วเสร็จหลังจากนั้นพระราชาก็มีรับสั่งให้ประหารชีวิตเสนาบดี และทรงแต่งตั้งอาจารย์คือบัณฑิตนมเป็นเสนาบดีแทนซึ่งเสนาบดีผู้นี้แหละที่เกิดมาเป็นพระจุลปันธกะแล้วเสนาบดีผู้นี้ทำกรรมอะไรไว้ครับจึงได้เกิดมาปัญญาทึบพระสมเกียรติถามพระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะในชาติก่อนๆเสนาบดีเคยล้อเลียนเพื่อนที่เข้าปัญญาทึบทำให้เขาอับอายตัวเองก็เลยต้องรับกรรม โปรโดจำไว้เลยว่าการที่ท่านล้อเลียนผู้อื่นเท่ากับท่านกำลังทำกรรมเมื่อท่านทำกรรมกรรมก็จะตามสนองท่านเช่นกรณีของพระจุลปันธกาที่ผมเล่ามาท่านตั้งใจจะสอนพระบัวขาบทางอ้อมหากพิสุรูปนั้นกลับไม่ใส่ใจ พระมหาบุญลืมที่สมพารของท่านสอนไว้ว่าคนดื้ออย่าสอนเพราะจะเสียเวลาเปล่าเรื่องกรรมนี้สาคัญมากนะครับอาจารย์ผมน่าเชื่อกรรมว่ามีจริงแต่บางคนไม่เชื่อพระขจรพูดขึ้นสำคัญมากเชียวละในอัธกถานั้นว่าด้วยเรื่องศรัทธาสีนั้นจะเห็นว่าเป็นเรื่องของกรรมเสียสามข้อ ศรัทธาสี่มีอะไรบ้างอาจารย์ตั้งคำถามลูกศิษย์ทุกรูปนั่งนิ่งเพราะไม่ทราบอาจารย์จึงต้องอธิบายขยายความว่าศรัทธาในที่นี้หมายถึงความเชื่อที่ประกอบด้วยเหตุผลซึ่งมีสี่ประการดังต่อไปนี้ท่านเขียนลงบนกระดานดำพร้อมคำอ่านหนึ่งกรรมศรัทธา 2. วิปากศรัทธา 3. กรก ม, ม ส, สกตาสัตธาสตถาคตโพธิสัทธาท่านอาจารย์ครับสัทธากับสัตธาต่างกันอย่างไรครับผมหมายถึงที่เขียนด้วยสอสาลากับที่เขียนด้วยสอเสือพระบุญชูถามต่างกันตรงคำแรกของภาษาสันสกฤตส่วนคำหลังเป็นภาษาบาลี ส่วนความหมายนั้นเหมือนกันในภาษาไทยเรามีคำภาษาบาลีและคำภาษาสันสกฤตอยู่ปะปนอยู่เราจึงเขียนทั้งสองแบบพระมหาบุญตอบผมอยากให้ท่านอาจารย์ช่วยอธิบายความหมายของศรัท ธ, ธาสี่ที่เขียนบนกระดานดำครับพระบุญสร้างเสนอตกลงผมจะอธิบายให้ฟังกรรมศรัท ธ, ธาหมายถึงเชื่อกรรมเชื่อกฎแห่งกรรม เชื่อว่ากรรมมีอยู่จริงคือเชื่อว่าเมื่อทำอะไรโดยเจตนาจงใจทำทั้งที่ทรู้ย่อมเป็นกรรมคือเป็นความดีความชั่วมีขึ้นในตนเป็นเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผลดีผลร้ายสืบเนื่องต่อไปกระทั่งทำไม่ว่างเปล่าและเชื่อว่าผลที่ต้องการจะสำเร็จได้ด้วยการกระทําไม่ใช่ด้วยอ้อนบอน หรือนอนคอยโชคเป็นต้นตรงกับพระบาลีว่าเจตะนาหังพิกเวกัมังวัามิเจตอยตวากัมังกโรติกายเณวาจายะมนาสาใช่ไหมครับพระชนวนถามด้วยเสียงที่ไม่ติดอ่างเลยสักนิดถูกแล้วท่านชนวนเก่งนี่นาผมขอชมเชยว่าท่านเก่งมาก ไหนลองแปลสิพอถูกชมอาการของโรคติดอ่างก็กลับกำเริบพระนุมตอบว่าดูด ด, ด, ดูกรภิกษุภิกษุทั้งหลายท่านชนวนพระอาจารย์เรียกชื่อพระลูกศิษย์ครับผลพระลูกศิษย์ขานรับท่านปฏิบัติกรรมฐานบ้างหรือเปล่าผมปฏิบัติทุกวันครับ ความจริงท่านทำตามที่พระอุปชาแนะนำตั้งแต่วันแรกมีขัดห้องสุขาสวดพาหุงมหากาและปฏิบัติกรรมฐานแต่ถ้าบอกไปทั้งหมดก็เกรงจะถูกเพื่อนร่วมชั้นหัวเราะเยาะโดยเฉพาะพระบัวขาบจึงตอบไปเท่าที่ท่านถามดีแล้วงั้นก็ตั้งกำหนดสติไม่ติดอ่างนอไม่ติดอ่างนอ แล้วจึงค่อยตอบพระหนุ่มทำตามประเดี๋ยวหนึ่งก็ตอบอย่างคล่องแคล่วว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรมบุคคลตั้งใจแล้วหรือคิดแล้วย่อมกระทำกรรมทางกายทางวาจาหรือทางใจดีมากต่อไปผมจะได้อธิบายข้อสองวิปากสรัทธาซึ่งหมายถึงเชื่อวิบาก เชื่อผลของกรรมพระวิบากแปลว่าผลเชื่อว่าผลของกรรมมีจริงคือเชื่อว่ากรรมที่ทำแล้วต้องมีผลและผลต้องมีเหตุผลดีเกิดจากกรรมดีผลชั่วเกิดจากกรรมชั่วต่อไปข้อสกรรมมัจจกตาสัทธาหมายถึงเชื่อความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเชื่อว่าแต่ละคนเป็นเจ้าของการกระทาของตน จะต้องรับผิดชอบเสวยวิบากเป็นไปตามกรรมของตนส่วนข้อสุดท้ายคือตถาคตโพธิสัตธ์หมายถึงเชื่อความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้ามั่นใจในองค์พระคถาว่าทรงเป็นพระสัมมาสัมพุทธะทรงพระคุณท้งก้าวประการตรัฐธรรมบัญญัติวินัยไว้ด้วยดีทรงเป็นผู้นำทางที่แสดงให้เห็นว่ามนุษย์คือเราทุกคนนี้ หากฝึกตนด้วยดีก็สามารถเข้าถึงภูมิธรรมสูงสุดบริสุทธิ์หลุดพ้นได้ดังที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญไว้เป็นแบบอย่างศรัทธาสี่อย่างนี้ว่าโดยใจความแล้วสามข้อต้นย่อมรวมลงในข้อสี่ทั้งหมดหมายความว่าถ้าเราเชื่อข้อที่สี่เพียงข้อเดียวเท่ากับเชื่ออีกสามข้อด้วยใช่ไหมครับถูกแล้วอันที่จริงพระพุทธศาสนา เป็นศาสนาอ t h e วนิยมคือไม่เชื่อในพระเจ้าว่าเป็นผู้สร้างเป็นผู้บันดาลเหมือนศาสนาเทวานิยมเชื่อกันเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธศาสนาจึงไม่เน้นเรื่องศรัทธาใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่เพราะคําสอนของพระพุทธองค์เป็นสัจธรรมที่มีอยู่ตามเหตุปัใจจัยในธรรมชาติใครจะเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไรสัจธรรมก็ยังคงเป็นสัจธรรม ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามความเชื่อหรือไม่เชื่อของใครเอาละสำหรับวันนี้ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอให้พวกท่านทบทวนสิ่งที่เรียนมาทั้งหมดพรุ่งนี้พบกันใหม่พระลูกศิษย์พากันกราบพระอาจารย์เมื่อพระมหาบุญออกจากโบสถ์ไปพระบัวขาบก็แซงทาปากเบี้ยวแล้วก็เดินตัว ป, ปัตุเปล้อเลียนพระชนวนด้วยนึกฤิยาที่ พระอาจารย์ชมพระรูปนั้นเพื่อนร่วมชั้นครั้นเห็นพฤติกรรมอันไม่พึงปรารถนาของพระบัวขาต่างพากันคิดในใจว่าคนบ้าอย่าถือคนด้ออย่าสอนขณะเดินกลับกุฏิที่พัก